ค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะที่ With You FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้คลื่น 106 เนี่ยนะคะเราก็จะมาแล้วอ่าเดี๋ยวไปถาม เกี่ยวกับตื่นเช้าถูกมั้ยคะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการลุกขึ้นการ<ใช> 40 นาทีเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะ<ใช> แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจะฟังธรรมก็ได้ค่ะค่ะนั่นค่ะเมื่อนี้เอ๊ะขออภัยค่ะเมื่อวานนี้จะใช่ก็เลยเช็ค วิธีแก้ฝันร้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เจริญเมตตาก่อนที่จะนอนหลับใช่ส่วนตันเห็นเลขเนี่ยต้องเจริญ ไม่ใช่แค่ว่าเลขอย่างเดียวแต่จะเป็นอนาคตวันนี้จะเกิดอะไรค่ะวัน อย่างไรอืมอ่าไว้เฉพาะเจาะจงหรือเปล่าถ้าอาจารย์ก็บอกว่า เอ่อน้ำเนี่ยน้ำน่ะเค้าจะวิทเข้านาได้เนี่ยเค้าจะเอาน้ำขึ้นไปที่สูงวิทเข้านาได้ ดัดใช้แรงใช้ความเครื่องมือมะเร็งดูๆเหล่านั้นไม่มีจิตไม่ <c oughs> แต่ทั้งหมดเครื่องมือทั้งหมดนั้น 4 นะซึ่งเครื่องมือที่อาตมาใช้อยู่เป็นประจำนั่นนั่น นอกเหนือจากการเจริญอานาปานสติลมหายใจแล้ววิธีที่ นะเช่นการพิจารณากระดูกพิจารณาให้เห็นผมขนเล็บเช่นคุณพิจารณาเห็นซากศพความเน่าเปื่อยหรือ หรือว่าความไม่สวยงามในกายว่าจิตเรามีฐานที่ตั้งที่ดีใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิต 32 อย่างถูก อ่าและถ้าที่พระมักจะพูดถึงก็จะมีผมขนอืมสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะมีสติอยู่เฉพาะแค่ 5 อย่างผมขนเล็บฟันหรือว่าได้ทั้งกายทั้งหมดของท่านเลย คือคืออย่างน้อยเนี่ยไม่ให้ใจของเราเนี่ยนะไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกไปนอกเเขตผิวหนังอันนี้เดี๋ยวๆๆเอามันกลับมาวางอืม ที่ว่ามีสติอยู่ๆเราก็มาคิดนึกระลึกใน แทนที่เราจะให้จิตเราไปอยู่กับเรื่องอกุศลในเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณ ผมไม่คิดต่อแล้วมีปัญหาเลยนะคะคือเหมือนรู้ว่าถ้าคิดตามโลก มันก็สกปรกไปหมดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องต้องมี ไปทําก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเส้นผมลองกินดูมันจะเป็น ถึงไวเครื่องออกเครื่องนําออกสมมุติอย่างกรณีเนี้ยเอ่อจะใช้เป็นหลักในการพิจารณาได้มั้ยอ่าใช่ป่ะอันอันใช้หลักอย่างนี้ได้มั้ยคะเห็น เราจะทํายังไงอืมการเอ่อเห็นประโยชน์เห็นโทษแล้วก็เห็นอุบายในกันออก ความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างงี้นั้นแต่ ค่ะไม่ได้ใช้คําว่าประโยชน์แต่ใช้ความสุขที่เช่นการเสียเงินเสียเงินโอ้ยมากมายหลาย นั่นก็คือการที่ใช่ๆให้ให้อ่าเห็นความไม่เที่ยงนี่คือวิธีในการนําออกค่ะอืมเดี๋ยวพานนะคะนี่ก็เป็นใช่นะ ที่เพียงาให้ไม่พลจะผิวหนังอ่าๆที่ 4 คืออะไรอะไรครับนี่คะเอ่ออย่างหนึ่ง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้านั้นเป็นนี่ๆคือ นะซึ่งบางคนอาจจะออกมาเป็นรูปของเอ่อคํา ใช่ๆเวลาโดยการมีสติๆที่ท่านบอกว่า 10 อย่างใช่มั้ยคะเตรียมในวันพรุ่งนี้ดีมั้ยคะได้ๆๆๆนะคะก็ ท่านผู้ฟังอยากจะ Skype ท่านอยู่ที่วัดป่าดอนๆครั้ง อาการแห่งที่นั่นมีสมํ่าเสมอค่ะเพราะฉะนั้น 27 นะคะ ก็อยู่น้องหารอุดรธานีหรือ